6. เอละกะโลมะสมุดฐาน 263. อกเอรกะสิกขาบทว่าด้วยการทำสันถัดผสมใยไหมเสยะสิกขาบทสองสิกขาบทว่าด้วยการนอนร่วมกันอาหัจจะปาทกะสิกขาบทว่าด้วยเรื่องเตียงตังมีขาจดแม่แคร ปินดาโภชนะศิกขาบทว่าด้วยการฉันพัตตาหารในที่พักแรมคณะโภชนะศิกขาบทว่าด้วยการฉันคณะโภชนะวิกาลโภชนะศิกขาบทว่าด้วยการฉันโภชนะในเวลาวิกาลสันนิธิการกระศิขาบทว่าด้วยการสะสมโภชนะ ทันตะโปโนสิกขาบทว่าด้วยการรับประเคณอาหารนอกจากน้ำและไม้ชําระฟันอาเจละกะสิกขาบทว่าด้วยนักบวชเปลยกายอุ ย, ยุตตะสิกขาบทว่าด้วยกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบอุยโยทิกะสิกขาบทว่าด้วยการไปดูสนามรบ สุราปานสิกขาบทว่าด้วยการดื่มสุราและเมรยัยโอเรณหาญะสิกขาบทว่าด้วยยังไม่ถึงครึ่งเดือนอาบน้ำทุพพันธะสิกขาบทว่าด้วยการทำจีวรใหม่ให้เสียสีปาติเทศนียสิกขาบทสองสิกขาบท ละสุนะสิกขาบทว่าด้วยการขอกระเทียมอุปติฐะสิกขาบทว่าด้วยการปรนนิบัตินัจจาสิกขาบทว่าด้วยการไปดูการฟ้อนรำนาหณะสิกขาบทว่าด้วยการเปลือยกายอาบน้ำเอกัตถรณะปาปุระณะสิกขาบทว่าด้วยการใช้ผ้าผืนเดียว เป็นทั้งผ้าปูนอนเป็นทั้งผ้าหม่มเสยะสิกขาบทว่าด้วยการนอนบนเตยเียงเดียวกันอันโตรัฐทสิกขาบวาวาทว่าด้วยการเที่ยวจาริกไปในที่ที่หน้าหวาดระแวงภายในรัฐพหิรัฐทสิกขาบทว่าด้วยการเที่ยวจาริกไปในที่ที่หน้าหวาดระแวงภายนอกรัฐ อันโตวัตสิกขาบทว่าด้วยการเที่ยวจาริกไปภายในพรรษาจิตตาคารสิกขาบทว่าด้วยการไปดูหอจิตรกรรมอาสันทิสิกขาบทว่าด้วยใช้ตั่งยาวสุตตะกันตนาสิกขาบทว่าด้วยการกรอได้เวยาวัจจสิกขาบท ว่าด้วยการช่วยทําการขวนขวายสหัฏฐาศสิกขาบทว่าด้วยการให้ของเคี้ยวด้วยมือตนอภิกขุกาวะาาสิกขาบทว่าด้วยการอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุฉัตตะสิกขาบทว่าด้วยภิกษุณีผู้ไม่เป็นไข้กั้นร่มและสวมรองเท้า ยานะสิกขาบทว่าด้วยการเดินทางด้วยยานพาหนะสังคานิสิกขาบทว่าด้วยการใช้เครื่องประดับเอวอลังการะสิกขาบทว่าด้วยการใช้เครื่องประดับของสตรีคันทะสิกขาบทว่าด้วยการใช้ของหอมวาสิตะสิกขาบท ว่าด้วยการใช้แป้งอบกลิ่นภ wow, Ai ิก ah ุณีสิกขาบทว่าด้วยการใช้ภิกษุณีให้บีบนวดสิกขมานาสิกขาบทว่าด้วยการใช้สิกขมานาให้บีบนวดสามเนรีสิกขาบทว่าด้วยการใช้สามเนรีให้บีบนวดที่หิณีสิกขาบทว่าด้วยการใช้ครือหัดหญิงให้บีบนวด อาังกัดฉิกาสิกขาบทว่าด้วยการเข้าหมู่บ้านโดยไม่มีผ้ารัดฐานรวมเป็น44สิกขาบทเกิดทางกายมิใช่เกิดทางวาจากับจิตเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจาทุกสิกขาบทมีสองสมุดฐานเหมือนกับเอรกะโลมะสิกขาบท เอระกะโรมัสมุดฐานจบ